ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งวางแผนให้คนทั้งหลายมาช่วยทำเขื่อนคันกั้นน้ำท่านสร้างเขื่อนให้คนมาก่อเจอดีย์ในคันเขื่อนที่ท่านสร้างไว้คนมันอยากได้หวยมันก็แตกเตือนกันไปทำท่านก็เดินด้อมๆไปท่านไปเขียนเลขเอาไว้ในกองทรายที่เขาก่อเอาไว้เขียนห้าสบเราเดินตามหลังไปก็ไปเห็นเข้าอ้าไม่เคยเห็นอาจารย์เขียนอย่างนี้สักที มันต้องออกแน่ทีนี้เจ้าหมอหนึ่งมาหาหวยเหมือนกันก็แอลํำพากอีสานขึ้นมามันบอกว่ามันว่าเป็นภาษาอีสานฟังเด้อลากากีเส้นหมีมาขอหวยอาจารย์มีจนบ่มีเงินสิซื้อเมื่อแม่นดังหมายแปลว่าฟังน้าน้องสาวนุ้งสิ้นไหมพี่มาขอหวยพระอาจารย์มีจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ถูกสัที มันว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็ตอบมันฟังเดอลากากีสีแสดหวยที่ออกห้าแปดคันไผ่บ่อซื้อให้หมาจุดจุดจุดมันแปลว่าฟังน้า น, น้องหนุ่มนุ่กางเกงสีแสดหวยจะออกห้าแปดถ้าใครมีเรี่ไปซื้อให้หมาจุดจุดจุดมันที่หลังไอเวย น, นั่นพอมันออกห้าแปดวิ่งมาหาเลยโอ้ย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 คราวหนึ่งไปบินทบาตเดินตามหลังหลวงตาอ่อนพ่อของอาจารย์สำราญเดินไปพุเทเจ่าก็เขียนกระดาษแผ่นน้อยๆแจกให้โยมใครมาใส่บาทเดินใส่ขันข้าวให้ทุกรายก็เลยถามว่าไหนขอดูหน่อยหน้าบอกเขาตรงไหนกันแน่แต่ว่าในใจมันนึกแล้วว่ามันไม่ออกหอกตัวนั้นแต่ของเราเนี่ยพอเขายกะดน้อยลงในขันข้าวยมทีไร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 ท่านอธิษฐานจิตของท่านไว้ว่าถ้าได้เงินสร้างโบสถ์พอแล้วจะหยุดพอได้ครบห้างวดเงินสร้างโบสถ์พอก็หยุดไม่ฝันเลยทีนีน้ชื่อเสียงมันก็โด่งดังไปคนก็มารุมขอท่านท่านก็บอกว่าโยมเอ้ยเดี๋ยวเนี้เงินสร้างโบสถ์มันพอแล้วมันไม่ฝันแล้วมีองค์เดียวเนี่ยแหละฝันหวยเบอร์สร้างโบสถ์เสร็จ